นั่นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงยามยอดจริงรู้เดินเลื่นจริงใจจริงเสกสันถ้าทำดีได้ดีนะทันถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันคุบัากสำคัญจงพากันสังวรอุบัติากสำคัญจงพากันสังวร Let's go. Oh. จะเยอะย้อนกราบไหว้พระสวดมนต์ขอพรทั้งเช้าเย็นคืนคำก่อนนอนสอนใจให้ฝ่ดีไปดีนำพุทโธมาใกลใ้น้อมสู่ใจทุกวันวีไฟแผดเผาใหนฤหดีพุทโธเป็นที่ดับร้อนใจแม่น่ายพุทโธจะสุขถ้าโตมีเกลื่อนกร่อนใครแม่น่าย โทษจะสุโคนิรันดรบุญบาปนรกสวรรค์รองนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงยานเดยดยิงรู้เห็นเห็นจริงใจ่ิงแนเศสศันถ้าทำดีได้ด ชัวมองงัวแม่นมันบุญบาสสำคัญจงพาตันสังวรบุญบาสสำคัญจงพาตั้งสัง ทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญต้องพากันสังวรบุญบาปสำคัญต้องพากันสังวร สวรรค์ลายหลายชั้นที่ท่านนำที น, นรกหลา ย, ลายคุมเช่นกันทุกทรมานไม่เคยประนีทำบุญกุศลความดีสวรรค์สราบทันทีไม่มีรีรอทำบาปเลวแหลกแต่พ็สิ้นใจไปจอนรกแน่นอนสิ้นใจไปจอ น, นรก พุทธองค์ทงยามยอดยิงรู้เด่นเย็นจริงใช่อิิงเซสันถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วเม้ามัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงภากันสร้งวอนบุญบาปสำคัญจงภาปันสร้งางว